มันมาจากที่ว่าผลักมันผลักออกไปมันไม่พอใจทีนี้เราก็แก้ด้วยวิธีที่ว่า แพ้เมตายเขาให้ ก, มกม็มีความฉุกความฉุกติดเขาให้มีความฉุกความฉุกติดอย่างเนี้ยให้ก็มีความฉุกเนี่ยเราทําไปอย่างนั้นเนี่ยกับสัตว์ก็เหมือนกันไม่ใช่พอเห็นห ม, มาหรือก็หมาห่อหรือก็ตกใจอย่างนั้นอย่างนี้โอ๊ยยายายานี่มีของกินนะนี่ให้อของกินมันก็ดีที่หมามันก็ชอบอย่างนั้นน่ะนี่มันจะกัดคนที่มันไม่ชอบไอ้เราก็ไม่ได้สรงใจฮะแต่คนที่รักหมานะี่ยไม่หมาไม่กัดหรอก หมากาัดก็ไม่โกรธก็ไปฉียดยาแต่ดีมันเป็นอะไรอะ่ะนี่ก็ไม่โกรธหรอกนี่ก็หมาเนี่ยมันหมามันไม่ไว้ใจเราแต่ถ้าเรามีจิตดีแล้วมันไว้ใจเดี๋ยวเราลูกหัวมันก็เรียบร้อยช่องหลวงพ่อนี่พอไปถึงวัดแล้มันนอนตรงนี้แล้วอไม่ใช่เจ้าพ่อแต่หลวงพ่อพอยอมปลอยนี่เอาเอาเอาเอาหมาพอโยอมก็ขึ้นบนกุฏิไปนั่งไปแล้วไปถึงก็ไปนอนในตักแล้วหนัก นอนในตักโยมก็เลยนี่เห็นไหมนี่หมานะเนี่ยมันถึงขนาดนั้นนั่นเราก็เหมือนกันเนยมันบอกคือมันบอกที่มันเห่าเนี่ยมันบอกว่ามีคนมามีคนมาบอกว่ามีคนมาไม่ใช่มันจะไปกัดเขาไม่ใช่อย่างนั้นไอ้พวกไอ้หมาตัวโตน่ะไม่ได้พวกนั้นดุแต่มากลางๆเอากลางๆนี่เมตตาอย่างเดียวเมตตาของพ่อก็เลยต้องช่วยอาใจเมตตา พระพุทธเจ้า45ปีพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทําอะไรพระพุทธเจ้าไม่ใช่นอนกินพระพุทธเจ้าพระองค์ตรงไปไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปตรงโน้นไปหาใครไปหาปัญญาชนนี่หาปัญญาชนแล้วพระองค์ก็มีความทุกข์พระองค์ก็ไปช่วยเขาไปช่วยเขาไปช่วยเขาไปพูดให้เขากวางังจนพอเขากวางแล้วเขความทุกข์มันหลุดไป พอลุดไปก็พุทธังเจรนังกัจจามิธรรมังเจรนังกัจจามิาารสังฆังเจรนังกัจจามินี่ยเขาเอาพระพุทธเจา้าเป็นที่พึ่งแล้วทีนี้ rolling, อย่างอื่นเป็นที่พึง่งไม่ได้ไปใช่ว่าเอาเงินมาเป็นที่พึง่งเอาทองมาเป็นที่พึง่งอันนั้นมันที่พึ่งภายนอกเวลาเราหิวนี่ยนั่นอาหารมันก็เป็นที่พึง่งของร่างกายเสื้อผ้าก็เป็นที่พึ่งของร่างกายทั้งนั้นเนี่แต่ที่พึง่งทางจิตนี่ก็ต้องพุทธังธรรมังสังฆัง พุธทธังทำมังสังกังเทนี้พุทธทังทำมังสังกังมีตัวไหมไม่มีตัวที่ไม่ตัวเนีย่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวบุคคลพุทธทังคือความสงบเย็นในจิตของพระองค์ทำมังไม่ใช่ใบลานทำ ม, มังก็คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบเอาแล้วเอาค้นพบอะไรค้นพบพระธรรมพระธรรมคือตัวความสงบเย็นนั้นแหละออกมาไว้ในจิตของพระองค์พระองค์ก็เลยเป็นพระพุทธเจ้า สังกังสังกังคืออะไรสังกังสระนังกจามิผู้ที่ได้รับความถ่ายโทษพอถ่ายโทษแล้วก็เอาไปปฏิบัติพอ ป, ปฏิบัติแล้วมีจิตที่สงบเย็นเพราะฉะนั้นพุทธังก็ดีธรรมังก็ดีสังกังก็ดีอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกข้างนอกเปลือกท่างนั้นเนี่ยที่เขาถามว่าพระพุทธเจ้าไปนี่ในปานที่ไหนนอนกุฏินารานิพพานคือสงบเย็นสงบเย็นอยู่ที่ไหน อยู่ที่จิตของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาะเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาที่ต้นสีมาอาโปที่พุทธกยาเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นว่าปรุงอย่างนี้เกิดพุทโธขึ้นมาตัวรู้รู้รู้อะไรรู้ทุกขรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกขรู้หนทางไอ้ถึงความดับทุกขพอรู้แล้วเป็นยังไงไอ้สองทไอ้สองตัวนี่ทุกกะเพได้เกิดทุกออไม่ได้สองตัวนี้ออไม่ได้ นี่มันเป็นทุกข์นี่ต้องเอาตัวโน้นต้องอนิโรธนิโรธนเอามาดับเอานิโรธนดับดับตัวไหนดับตัวเหตุให้เกิดทุกข์แล้วมันก็เย็นอ่าเป็นพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นพระอาหารหันต์ที่ตรงนี้เป็นปะอะไรเป็นพวกเราประโจดาบันจักกิตาคารมีอนาคามีเป็นที่ตรงนี้ทางนั้นทีนี้พอตายตายอะไรนิพพานนิพพานก็ไปแปลว่าตายตายยังไงพระพุทธเจ้าตายได้เนี่ย พระหลนตายได้ก็ตายที่ไหนพระหลานก็ไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าก็ไม่มีตัวตนท่านมีจิตที่สงบเย็นแล้วความสงบเย็นน่ยมันอยู่ที่จิตนู่นแต่จิตก็ไม่มีตัวตนความสงบเย็นก็ไม่มีตัวตนตายที่ไหนโง่ไปแปลอย่างนั้นแปลโ ง, ง่โง่และเสร็จแล้วก็พวกที่แปลนั่นแหละตกนรกกันไปเป็นแถวทีนี้ไปไปแปลว่าพระพุทธเจ้าตายพระหลานตาย กิเลสมันดับก็เรียกว่านิพพานไม่ใช่คนตายเปลือกนี่มันตายเวลาไหนก็ได้เปลือกแต่ว่ากิเลสมันนิพพานไปแล้วกิเลนิพพานไปแล้วกิเลสมันดับไปแล้วมันดับไปแล้วของพระพุทธเจ้าก็ดับที่ต้ยตนโพนั่นแหละดับที่ใต้ยตนโพเมื่อกิเลสของพระองค์ดับโดยเด็ดขาดที่ตรงนั้นพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้านอกนั้นก็เหลือแต่เปลือกเหลือเปลือกพระพุทธเจ้าเหลือเปลือกพระพุทธเจ้า ความสงบเย็นอยู่ภายในพระองค์ก็เอาความสงบเย็นเนี่ยไปแจกคนนั้นแจกคนนี้แจกคนโน้นเอาไปแจกแจกแจกแจกแจกแจกนี่เห็นไหมทีนี้พระวักกะลินะที่เรียกว่าเป็นตุ๊ดนั่นแหละโอ้ยไปเอาเนื้อหนังของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราเลยจัดว่าดูก่อนวักกะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจธระมุปปบาทผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราเนี่ยอยู่ที่ปฏิจัตยมุปาทีนี้ปฏิจัตมุปาทจะเกิดขึ้นมาได้เราต้องปฏิบัติเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสร็จแล้วก็เป็นยังไงปฏิบัติตามองคอรียมัคสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสีเห็นกันห้าเห็นปฏิจรตมุปาทที่นี่เห็นอริยสัจสีอริยสติทุกขะรมุทยข่ยทุกอันนี้คือขวอยทุก ข๋วยทุกก๋วยมีกววยมีคือขววยมีทุกทุกกรมทำมุทัยธรรมุทัยนี้เกิดทุกมันกองไฟกองไฟสามกองกองราคะกองโทสะกองโมหะทีนี้เราทุกคนแหละทุกคนแหละทุกคนในโลกนี้แหละมีแต่คอยสามกองนี้มีแต่ทุกกะเวืได้เกิดทุกทุกกเวืได้เกิดทุกทุกกเบืได้เกิดทุกแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ยืนชี้อยู่โน่นโน่นโน่นโน่น เดินทางนู่นโน้นให้ค้าหมูยักษ์ไปยักษ์นั้นมันกินหมดจึงมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้ในจักรวรรนี้มันกินหมดเนี่ยมันกินหมดนี่มันกินหมดไอ้นี้มันกินยังไงเพราะข้าไปยึดถือที่หลวงพ่อพูดว่าข้าไปยึดถือเวลานั่นแหละพอข้าไปยึดถือเวลาเสร็จแล้วก็กูเมีอายุท่างนั้นตานี้ต่าง น, นู้นแต่พอปฏิบัติตามอริยมร๊ะมัองแปด ปฏิบ in ัต oh, ิเห <c oughs> <Johnny, tattoos>, ็นอริยสัจติเห็นกานาเห็นปฏิจตธมรมบาทเอ้าเวลามันไม่มีนี่แค <man Ses même> ่เราไปยึดถือมันทําไมเราเป็นทุกข์มันทําไมเวลามันไม่มีมีว่าสาหรับว่ากําหนดเวลาเท่านั้นเวลากลางคืนเท่านี้เวลานั้นเท่านั้นเวลามีว่าสาหรับกําหนดว่าให้ทําอันนี้เท่านี้กําหนดเวลาทําอันนี้เท่านี้กําหนดเวลานี้เท่านี้แต่เวลาจริงอะมันไม่มีมันไม่มี มันไม่มีทีนี้จิตนั้นพอเห็นว่าเอ้เวลามันเป็นสิ่งสมมติเมื่อมันเป็นสิ่งสมมติจิตนั้นก็อยู่เหนือเวลาอยู่เหนือเวลาโยตก็อยู่เหนือหัวยักนั้นเน่ยที่นี้ยักษ์ที่มันกินเวลาคือกาลจักกาลจักกาละกาละน่ะคือกาลกาลเวลากาลคือการเวลาทีนี้จักคืออะไรจักก็คือหมุนมันหมุนธรรมจักก็คือหมุนทีนี้ถ้าวัดจะจจักก็หมุนเหมือนกัน แต่หมุนไปในทางที่ผิดหมุนไปในทางที่มันเป็นทุกข์ก็เรียกว่าวัฏจักรถ้าหมุนไปในทางที่ดับทุกข์ก็เรียกว่าธรรมจักรธรรมจักรแอบหมายจักมันก็มีสองจักมีสองจักอย่างนี้เอาทีนี้เรามีแต่ทุกข์กับเหตให้เกิดทุกข์หือว่าเรามีเหตได้เกิดทุกข์เพราะเราไปยืนรอรถเมย์อยู่เป็นทุกข์เวลามันไม่มีวันนั้นนะที่ หลวงพ่อรู้ขึ้นมาคือมันก็รู้มารู้มนก็คอยรู้ก่อ ย, อยรู้ก่อ ย, อยรู้ก่อยรู้เออไม่ได้ไปบินทบาทาพระก็ลงไปลงไปบินทบาทกันเอเมื่ อ, อไรจะมาสักทีหลวงพ่อก็เดินดินี่เดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินไ ป, เ ด, นไปเดินมาเดินไปเดินมาดิ้นนี่เดินว่าสิ่งจั้งปวงว่างจากตัวตนสิ่งจั้งปวงว่างจากตัวตนคือไอ ก, การภาวนานี่ต้องพัฒนาได้ ไม่ใช่ภาวนายัาไม่ใช่กูตัวเดียวพัฒนาพัฒนาพัฒนาจนว่างจากตัวตูจนว่างจากตัวกูที่นี้หลวงพ่อก็เดินภาวนาจึงตั้งปวงว่างจากตัวตนจึงตั้งปวงว่างจากตัวตนเอเวลามันก็ไม่มีตัวตนเนีเ่ยแล้วพระจะมาเวลาไหนก็มาที่ท่านก็มาท่านเองนั่นแหละไม่เป็นไรท่านก็มาท่านเอง Dad, ทีนี้เราอย่าไปเป็นธาตเวลาเราต้องมีจิตอยู่เหนืนอเวลาหลวงพ่อขึ้นไปบนวัด ใช่เวลาตอนที่นมนมเจ็ดนาทีครึ่งขึ้นถึงเรียบร้อยเอา้าพอตอนนี้หลวงพ่อแก่แก่พอแก่แล้วก็เดินสบายๆเดี๋ยวก็จางหวะมันไปเป็นท่าเวลามันทําไมดูข้างทางดูอันนั้นดูอันนี้ดูต้นไม้ดูอะไรก็เดินภาวนาไปเออเดินภาวนาไปอะไรไปอะไ ร, ะ ไ, รไปอ๋อดูเวลาเท่าไหร่ จิบ้านานีิก็จังหัวมันไม่เห็นเป็นอะไรนั่นคือให้เวลา น, นเป็นพาดเป็นธาตเราเราอย่าไปเป็นทาตเวลาถ้าเราไปเป็นธาตเวลามันมีความทุกข์มีความทุกข์ทีนี้เราไปเป็นทาตร่างกายนี้หละทีนี้ร่างกายมันเวลาก็กําหนดเอาไว้ตามธรรมชาติแต่เสร็จแล้วจิตที่อยู่เหนือเวลามันไม่มีมันไม่มีกําหนด จิตที่อยู่เหนือเวลามันอยู่เหนือทุกเมื่ออยู่เหนือเหตุให้เกิดทุกขเห็นไหมฉะนั้นเราจะต้องจับประเด็นได้แต่ประเด็นอ้อนี่เนี่ยเวลาไอ้จะตายบอกว่าเวลามันยืดหยุนได้แต่ไมมันยืดหยุนไม่ได้ลนะ่ะเดินมาก็า่าาเดือนเนี่ยกว่าจะถึงกรุงเทพเอาถ้ามารถก็สิบสองชั่วโมงสิบชั่วโมงถ้ามาเครื่องบินก็โอ้ชั่วโมงสิบนาทีถึงแล้วมันยืดหยุนได้เวลาเพราะอะไร เวลาเป็นสิ่งสมมติเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมติอันี้มันเป็นสิ่งสมมติเลยเราไปยึดถือมันมีความทุกข์ทำไมยึดถือความแก่ก็คือยึดถือเวลายึดถือความเจ็บก็ยึดถือเวลายึดถือความตายก็ยึดถือเวลายึดถือการอยู่ก็ยึดถือเวลายึดถือเวลาทางนั้นเลยนี่ถ้าเราไปยึดถือเวลาจิตอยู่เหนือเวลาพอจิตอยู่เหนือเวลาอเป็นยังไงจิตอยู่กับความสงบเย็นเจ็ดแล้วเป็นยังไง นอนก็สงบเย็นตื่นก็สงบเย็นตายก็สงบเย็นเป็นก็สงบเย็นสงบเย็นนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทําไมไม่เอานี่แหละนี่แหละแล้วทําไมเราไม่เอาทําไมไม่ปฏิบัติให้ถึงอ่ะถ้ามันมันสงบเย็นอย่างเนี้นี่ตายก็สงบเย็นตัวนั้นน่ะอยู่ก็สงบเย็นตัวนั้นะสงบเย็นตัวนั้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่กับความสงบเย็นนี่แห็นไหม เรียกว่าอมตะอมตะอมตะทีนี้เราต้องฝึกอริยมรรคในองค์แปดพอฝึกอริยมรรคมนองค์แปดก็เกิดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นกันห้าเห็นปฏิจจสมบาทเห็นอริยสัจสีนี่จิตเริ่มลืมตาแล้วเมื่อก่อนบวชว่ามันบอดบอดบอดทีนี้โอมันเริ่มลืมตาตาภายในตาปัญญา พอภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปตามันเริ <ś uan fly> ่มลืมขึ well ้นล well ืมข at <inet ival> <unfortunate> ึ้นพอลืมขึ้นมันก็เห็นดิมันเห็นโอ้นี่มันจริงเวลามันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆเลยตัวเราก็ไม่มีตัวตนจริงๆเลยลืมตาแล้วพอลืมตาอย่างนี้แล้วก็เกิดทีนี้เกิดอะไรจากขงอุตปาทิดวงตาเกิดแล้วดวงตาภายในเกิดแล้วเกิดจากขงอุตปาทิดวงตาปัญญาเกิดแล้ว แต่ปัญญานั้นยังอ่อนๆอยู่อ่อนๆอยู่จากขงอุตปาทิเอาแต่แล้วปฏิบัติไปปฏิบัติไปดูไปอะไรไปสังเกตไปญานังอุตปาทิเกิดญานทีนี้ยานเกิดตัวรู้เกิดตัวรู้ขึ้นมาญานอะไรญานสามยานนี่แปลว่ารู้แต่ยานนี่แปลว่าเพ่งยานแปลว่าเพ่งญานแปลว่ารู้ไอ้นี่เกิดญานสามขึ้นมา ยานสามขึ้นมาก็ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วนี่สามแต่ว่าถ้าพูดภาษาบาลีก็ทุกก็เดี๋ยว่าสัจญานกิตยานกตาญานนี่ยานสามเองถ้าพูดภาษาไทยเหตุได้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุได้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุได้เกิดทุกเป็นสิ่งที่เราควรละเหตุได้เกิดทุกเราละได้แล้วนี่นี่สามเหมือนกันสาเหมือนกัน ทีนี้ความดับทุกนิโรธนิโรธเป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรธเป็นสิ่งที่เราควรทำให้แจ้งนิโรธเราทำให้แจ้งได้แล้วสามอีกสามอีกนี่คือญาณสามอริยมรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็นับไปเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วต้องรู้รายละเอียดด้วยอริยมรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้ อริยมรรคเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้เกิดมีอริยมรรคเราปฏิบัติให้เกิดมีได้แล้วสามสามสามสามสามสามสี่สิบสองเห็นไหมนี่เป็นสิบสองแล้วนี่เขาเรียกว่ายานสิบสองทีนี้ตอนแรกก็เกิดจากกุ้งมุตตปาทิเกิดดวงตาปัญญาญาณังอุตตปาทิเกิดยานเกิดยานคือตัวรูปภายในขึ้นมาญาณังอุตตปาทิ อ่าต่อไปก็อุตตปาทินี่แปลว่าเกิดขึ้นแปลว่าเกิดขึ้นว่าต่อไปก็จากกุงอุตตปาทิญาณอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเกิดปัญญาขึ้นมาอีกแล้วเกิดปัญญาแยกแยะว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้อย่ากล้าไปยึดมั่นถือมั่นดีก็อย่ากล้าไปยึดมั่นถือมันไม่ดีก็อย่ากล้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่เกิดปัญญาขึ้นไปแล้วจากกุ้งอุตตปาทิ ญาณอุตปาทิตัวรู้ปัญญาอตปาทิรู้จักแยกแยะวิชาตปาทิวิชาตปาทินี่สมบูรณ์ทั้งสติทั้งปัญญาด้วยเอาไปปรับที่นี้วิชานี่เอาไปปรับอวิชชาต้องเอาอาวิชชานี่ไปตีอวิชชานั้นให้ตายไปจัดการนี่มันตายเลยอย่าให้มันอยู่เพราะาว่าอวิชชาเนี่ยทําให้เรามีความทุกข์เราข้าไปยึดมั่นถือมัน จิตนี่แหละการทีว่าเป็นตัวกูอวิชาเกิดทันทีเลยเพราะฉะนั้นวิชาอุตปาทินี่เต็มแล้วเต็มบริบูรณ์ทีนี้เต็มบริบูรณ์จากกูอุตปาทิญาณุตปาทิปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาทิสี่ตัวพอสี่ตัวนี้รวมกลุ่มกันเป็นอาโลโกตปาทิอาโลโกตปาทิเป็นพลังพลังแสงพลังปัญญาก็คือเกิดทั้งพลังจิต ใจกบพลังปัญญาพลังจิตพลังปัญญานี่เราทุกคนมีทางนั้นมีพลังทางนั้นแต่ว่าใช้พลังไม่เป็นใช้เปลืองใช้เปลืองมากพอไปรักก็ทีหนึ่งใช้พลังแล้วใช้พลังนี่ใช้พลังแล้วส่งพลังไปแล้วไปเกลียดทีหนึ่งเอาใช้พลังไปอีกแล้วนี่ใช้แต่พลังไปเกลียดไปรักไปเกลียดไปรักไปเกลียดไปรักไปกลัวไปชอบไปอิจฉาลิตรยาพัลังไม่พอมอดแตกทีนี้ มอ้อแบตเตอรี่แตกเลยเห็นไหมพอหมอ้อแบตเตอรี่แตกทีนึงเกิดโทสะขึ้นมาทีเกิดโมหะขึ้นมาที ห, หมอ้อแบตเตอรี่แตกแล้วเอาก็แตกแล้วเหนื่อยไปพักเหนื่อยแคหน่อยหนึ่งอ๋อพลังเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยชายมากใช้เปลืองอย่างเนี้ใช้เปลืองแต่ละวันแต่ละวันนี่ในครอบครัวบางทีก็อหม้อของภรรยาแตกบางทีก็ม้อของสามีแตกอย ตัวลักตัวเล่ใ้ครอบครัวนี่ยมีแต่หมอแตกกันทังนั้นเลยนี่ไม่ได้ไม่มีพลังไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มน้ำกรดไม่ได้เพิ่มมาอะไรนี่มีแต่หม้อแตกทีนี้ถ้าทั้งบ้านพ่อก็หมอแตกแม่ก็หมอแตกลูกก็หมอแตกอยู่กันได้ยังไงทีนี้ต้องเลิกกัน้ามีภรรยากรต่องเลิกกันอะไรต้องเลิกกันนี่ลูกก็กระจัดกระจายุ่งหมดเลยทีนี้ครอบครวัวยุ่งหมดเห็นไหเนี่ย เราต้องเพิ่มพลังการที่เราไม่กล้าไปรักเราเห็นว่าความรักก็เป็นทุกข์เมตตาที่ต้องเมตตาเมตตานี่มันไม่มีความรักแต่เมตตาเมตตาแล้วไม่จํากัดว่าเป็นลูกของเราเป็นลูกของใครนี่เราต้องเมตตาหอดต้องเมตตาเมตตาทังนั้นเลยแต่เมตตาต้องระวังอีกไอ้ใจมีอะไรก็ให้หมดมีปัญญากํากับเมตตาก็ต้องมีปัญญากํากับ ถ้าไม่มีปัญญากํากับก็โดนต้มเลยโดนต้มเลยเนี่ยไม่ได้ต้องมีปัญญากํากับนี่มีทั้งเมตตานี่เรียกว่าวิชาตาปาฏิแล้วอาโลโกตาปฏิมีทั้งพลังเรียกว่ามีทั้งพลังจิตพลังปัญญาพลังจิตมีไว้ทําไมพลังจิตมีไว้เพื่อจะแผ่เมตตาคนนั้นคนนี้คือพลังเมตตานั่นแหละพลังเมตตามีไว้คนนั้นคนนี้คนโ น, น้นนี่มัน แต่กล้ามากพระพุทธเจ้ามีพลังจิตมีพลังจิตก็ส่งพลังจิตไปให้คนนั้นคนนี้คนโน้นนี่หลวงพ่อก็อภัยเดีวหลวงพ่อไม่ใจหวดดีแร้วนะเวลาหลวงพ่อเห็นว่าอใครคนที่มีธรรมะกาลังที่จะปฏิบัติเข้มข้นอยูอ่ไม่กี่วันหลวงพ่อก็โทรศัพท์ไปเขาก็บอกออ้ยพอหลวงพ่อโทรศัพท์มานี่ได้พลังอีกแล้วได้พลังอีกแล้วก็ก็สู่ทางโทรศัพท์นั้นอะ เนี่ย yeah. มันเกิดพลังขึ้นมาทันทีออืมันจะเกิดพลังขึ้นมานี่แต่ว่าพลังจิตพลังจิตแต่พลังจิตเนี่ยมันดีน ะ, ะก็ดีไปอย่างเลยพลังจิตนี่รักษาคนก็ได้เนาะแต่นว่าคนนี้คนนี้คือมันเป็นหมอโดยอัตโนมัติอ่ะคนนี้อุย้ยเจ็บไายได้ป่วยนอนโรงพยาบาลจําอะไรไ ม, ไ, ไม่ได้หมดแล้วจําไม่ได้หมดแล้วหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันไปถึงอุย้ยเราจะช่วยเขายัางไงเนี่ย ไปโรงพยาบาลโน่นไปมาเลเซียโ น, น่นไปมาเลเซียโยมคนนั้นเก็บป่วยนอนจําชื่อเองก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เอาไปยืนข้างเตียงว่ายืนข้างเตียงเสร็จแล้วก็ตวดอ e ีทีปิโตะตว่การตัวทูปฏิปโนดสามจบอ๋อก็เป่าพรวอดไปเะ อ, อยู่มาพูดเดียวก็จําได้จาําอะไรได้หมดเลยเอาอะไรเนี่ยอะไรก็จําได้หมด อ, อยู่มาได้อีกตั้งหลายปีกว่าจะตาย มีมีหลายมีหลายอย่างมีหลายหลายคนมีหลายคนโอ้ที่เชียงใหม่ก็มีแม่แต่ขอไปไม่ใช่ว่าไปอวดดีกว่าท่านอาจารย์ของหลวงพ่อนาะท่านอาจารย์หลวงพ่อเดีพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสตอนนั้นท่านป่วยหนักป่วยหนักก็วาราจการก็โทรมาที่หลวงพ่อว่าโอ้ท่านอาจารย์พุทธทาสป่วยหนักแล้วหลวงพ่อไม่ไปเยี่ยมท่านบอกโอ้หลวงพ่อยังไม่รู้เลยอย่างนั้นพุ่งนี้ เอารถมาหกโมงก่อนหลวงพ่อจะไปเอารถเอาคนขับรถมาหลวงพ่อก็มาเพราะมาที่สวนโมกเพราะมาถึงเป็นยางไงท่านก็จำมาเลยไม่ได้หมดแล้วจำไม่ได้หมดแล้วก็ก็มีพระดูแลก็นั่งร้อมวงกันอยู่เขาก็ไม่บอกก็ไม่บอกว่าหลวงพ่อมาก็ไม um> um> ่บอกท่านหอกทีนี้เขาเไม่กินคนอื่นก็ไม่กิข้าวแล้วเขาไม่กินข้าวไม่กินขาหลวงพ่อก้าวมาเพราหลวงพ่อนี้เป็นก่อนใกล้ชิดท่านมาก ตั้งพอดิการท่านอตั้งแต่นู้นแหละทีนี้ก็กล้าไปพอกล้าไปถึงเอ้าหาเอี้ยนมาแล้วเลยโอ้ดีใจกันใหญ่เลยดีใจก์ือท่านเลือดข้างในสมองไอ้นั่นเน่ยไขมันะก้าไปติดก้าไปติดในสมองเพราะหลวงพ่อไปทำไมมันหลุดออกมาได้นี่หลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรมากนี่ยมันเป็นอย่างนี้กันอย่างนี้หลวก็ก็ไม่เชื่อ ว่าจะโอ้นี่พอหลังจิตหลวงพ่อไม่ได้ทําอะไรไม่ได้อะไรทั้งนั้นออกไปที่เชียงบหม่หมออุกอายการคนหนึ่งติดไอ้นั้นเนี่ย น, นิ่วนิวน่วนิว้วได้ตมันติดนิ้วมันติดหลวงพ่อเขาก็เคยไปเยี่ยมหลวงพอ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อก็ไปหลวงพ่อไปถึงก็ไปเยี่ยมเขาไปเอาไปไปที่โรงพยาบาลเอาก้มหัวมาก้มหัวมาของหลวงพอ่อก็ ก็ว่ากระดาษนี่นอกระป๋อพรวดไปพอเช้าไปหาหลวงพ่อหรือว่าหลุดแล้วหลุดตั้งแต่เมื่อคือนโน้นเอาอะไรเนี่ยนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าพลังจิตพลังจิตพลังจิตอย่างนั้นเราอย่าใช้พลังให้มันมากเกินไปถ้าเราไม่ใชให้มากเราสะสมพลังไม่เราไม่เกลียดเราไม่รักเราไม่กลัวเราไม่อิจฉาเราไม่ดิสรยาเราไม่อะไรต่ออะไรทั้งนั้นเกิดพลัง พอเกิดพลังในเราจะช่วยช่วยผู้อื่นได้ช่วยโดยไม่ต้องช่วยช่วยโดยไม่ต้องช่วยนี่น่นช่วยได้ทีนี้ส่วนพลังปัญญาพลังปัญญาก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกนั่เรื่องของเวลาเวลามันไม่มีเราไปยึดถืออะไรบันเราก็มันมีไว้กําหนดเวลานั้นทํานั้นเวลา น, นั้ น, นทํานั้นเวลานั้นไปนี้เราเวลาไว้กําหนดท่านั้นเองแต่ตัวจริงมันไม่มี ถ้าเวลามันไม่มีไอความแก่มันจะก็เราก็กําหนดกับเวลาความหนุ่มสาวก็กำหนดกับเวลาความเป็นเด็กก็กำหนดกับเวลาชีวิตนี่มันกําหนดกับเวลาทั้งนั้นเลยแต่เดแล้วไม่มีเวลาจะมาราอีกแล้วอยู่เหนือเวลาเพราะเราอยู่เหนือเวลาไอความแก่ความเจ็บความตายเรื่องเล็กมากทีนี้ตกลง เราเรื่องเล็กมากก็ตายที่มึงอยากตาก็ตายพี่ทีบางคนก็บอกโอ้น้ําจะท่วมโลกเลมึงท่วมดิจะได้รู้ถ้าไม่ตายได้จะได้บอกลูกหลานข้างหลังว่านี้น้ํามันท่วมอย่างนั้นอย่างนั้นวันนั้นไปพูดไปพูดที่อําเภอนึ่งก็ไปพูดหลายอำเภ อ, เเ อ, อ, อ, อ, เภอทุกอําเภอหลวงพ่อออกทุกอําเภ อ, อ, เภอจบแล้วตอนนี้โอ้พอดีมันอิศรามีตั้งแปดสิบเอร์ซ ทำยังไงหลวงพ่อก็บอกว่านี่เราให้มีศาสนาเดียวกันเพราะว่าไม่ต้องมีหลายศาสนาดอกอิสล า, ามก็ต้องไม่ต้องมาเก้าวพุทธพุทธก็ไม่ต้องไปก้าวอิสล า, ามคริสต์ก็ไม่ต้องไปก้าวนู้นก้านี้มีศาสนาช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เรื่องอยังไงเรื่องว่าเมตตาเมตาคนอื่นเมตตาต่อคนอื่นเน้นใจคนอื่นนี่เลยยากกว่ายียกว่าไอ้ ให้ช่วยเหลือคนอื่นนะให้เห็นช่วยเหลือคนอื่นเห็นใจคนอื่นนี่มันมีเท่านี้แหละมีเท่านี้ทีนี้ตาทุกศาสนามันช่วยกันทุกศาสนาเราไม่ไม่คิดว่าศาสนานั้นศาสนานี้มันเราก็อยู่กันได้สบายไม่ต้องไปแก่งแย่งกันอะไรกันนี่มันไม่ช่วยเหลือคนอื่นที่มันกูกูกูกูกูกทางทนั้นเลยเพราะจิตมันเป็นกูนี่หลวงพ่อก็บอกว่า ถ้าสามศาสนาจีศาสนาเนี่ยโลกน้ําท่วมพอน้ําท่วมเกิดระเบิดขึ้นมาเกิดนิวเคลียร์ขึ้นมาอะไรขึ้นมาเหลือศาสนาคริสก็เหลือหนึ่งคนศาสนาพุทธเหลือหนึ่งคนศาสนาอิสลามเหลือหนึ่งคนอ๋อเแล้วแล้วมันอยู่กับใครทีเนี้ยไม่มีเพื่อนแล้วสามศาสานามต้องกอดคอกันอ้ทีนี้มันก็ต้องเป็นเพื่อนกัน เหมือนกันนี่เราจะต้องเป็นเพื่อนจึ่งกันและกันอย่างนี้นี่เรื่องของศาสนาะเพราะฉะนั้นศาสนาะเรานี่นะดีที่สุดแล้วพวกเราหนึ่งมาเกิดในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยสมบูรณ์ทุกอย่างอาหารการกินสมบูรณ์ทุกอย่างคุณไปดิไปประเทศอื่นน้ำพริกก็ไม่มีไงไปอยู่ได้หรอแกงส้มก็ไม่มีแกงเผ็ดก็ไม่มีนี่มันไม่มีเราก็อยู่ที่ ไปอโยู่น์ยูโรแค่สี่หเดือนดียวงไปลองดูดิไม่มีแต่ไอ้มันมันมันมันมันทั้งนั้นอย่าวผลไม้มีอะไรมีแต่เปิ้ลอย่างดีก็โลกไอ้นัน้ไนไอ้สตอเบอร์รี่นั่นดีที่สุดแล้วบ้านเราจะกินอะไรคุณจะกินอะไร ม, มันสมบูรณ์ที่สุดบ้านเรานี่เกิดในประเทศตทยหนึ่งอาหารการกินสมบูรณ์สอง มีพระพุทธศาสนานี่มีพระพุทธศาสนาหลวงพ่อไปทิเบตโอ้ยําบากเรื่องการกินของกอ็แพงกล้วยน้ายําว้าหวีหนึ่งเป็นร้อยรอยโอ้วันนั้นเห็นแตงโมบอกว่าโยมฮะแตงโมซื้อไปพรุ่งนี้ดูที่ว่ามันเป็นยังไงอยากจะชิมดูว่าทิเบตเป็นยังไงโดนกับคําเดียวเลิกเหมือนกับน้ําไม่มีผิดเลยเระหว่างมันมันหนาวเนี่ยมันหนาว แต่โมสวยสวยแต่น้ำเต็มมีแต่น้ำดูสวยไม่มีไม่มีรสชาติเลยเห็นหประเทศเขาจูกันไม่ได้บ้านเราเนี่ยไปถึงเห็นภูเขาก็เขียวพอไปทิเบตเหมือนก็ยกก้อนหินไปวางวางวางไวง้วอย่างนั้นเนีย่ยาเจ้าชู้จากต้นก็ไม่มีบนภูเขยายาอะไปยาอื่นเลยตายอยู่อย่างนั้นตายตายแน่ไปอยู่ไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ นี่ยไปทิเบตกันยี่สิบกว่าคนปีที่ผ่านมาเนี่ยสามครั้งเนี่ยไปเมืองจีนแต่ว่าจุดยอดอที่ทิเบตนี่ที่ตรงนั้นนี่มันมีแต่ความทุกข์กับประเทศนั้นทีนี้เขาก็ปลูกต้นไม้ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นจีนก็เลยเอาเลยดิเห็นไหมจีนไปดูสร้างยี่สิบชั้นห้าสิบชั้นเป็นสร้างโรงแรมก็เลยเอาคนทิเบตเนะี่ยมาเป็นคนงานนี่นอบอลแต่แล้จีนก็สร้างรถไฟ สร้างทางรถฝอยสร้างทางรถยนต์ lifting. จากนู you, ้นเ you ลยจากมงโกนจากประเทศจีนทางเหนือก็มาถึงท ok ี่เบตขึ Got ้นไปทะเลทะเลที่อยู่กลางภูเขานน่นอันนี้คนก็ชอบชอบไปเที่ยวต่อไปก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวโตเบตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวทีนี้ไอ้ไก่ไก่บอกหลวงพ่อบอกโอ้พระนี่เขาไม่ให้ข้าวต้องเอาเชื้อกลุมไปหน่อยน่อยดีไหมบอกไม่ให้ก้าวก็อย่าก้าเวไปดิ เราไปอย่างนี้แต่เราเป็นพระนี่เราต้องไปอย่างนี้คือก็กลัวพระก็กลัวว่าหลวงพ่อจะไปก่อวอดก็อะไรพระอย่างนี้เลยจะไปก่อวอดหลวงพ่อไม่กลัวหลวงพ่อไม่กลัวหรือไปสบายมากตรงๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกับหลวงพ่อสบายมาก <S <S ทีนี้มีพระที่เป็นเพื่อนก็เป็นเป็นพระเนปาลไปเขาไม่ได้ก้าวตลงไม่ได้ก้าว แต่หลวงพ่อก้าวไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีปัญหาเลยส บ, บายมากนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นโลกมีความสงบมีความสนิทใจอย่างเดียวมีความบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวก็พอแล้ว นี่เรากลุ่มของประเทศลอยไปขึ้นไปพระราชวังราษาโน่นขึ้นกันไปอู้ไปเหมือนกับมดขึ้นกันไปสูงบางคนก็หายใจไม่ค่อยออกก็ต้องมีอันนั้นออกซิเจนกันไปหลวงพ่อสบายมากเพราะว่าขึ้นเขาทุกวันที่วัดนะสบายไม่ได้เป็นอะไรเขาสบายมากไม่เป็นอะไรนี่ไปดูไปดูไปศึกษานี่จะไปศึกษาส่วนเซนเียน จะไปญี่ปุ่นไปศึกษาสวนเซนสวนเซนเนี่ไม่ใช่สวนหย่อมของประเทศไทยสวนหย่องมีดอกไม้มั่งดอกไม้นี่ดอกไม้นั้ไ น, นไม่ใช่สวนเซนนี่เขาจัดสําหรับเดจะไหวเพ่งเขามีทรายดูมีหิน เ, เกล็ดหินก้อนเล็กๆทําเป็นน้ํามีทะเลมีก่อมีแหลมมีต้นสนต้นสนแคะ่อะไรพวกนี้เขาจัดจัดอย่างดี จัดๆอย่างนี้พอเส็จแล้วเขาจ ะ, จะนั่งที่ระเบียงนั่งนั่งเพ่งเขาจะนั่งเพ่งทีนี้สวนหยอมเสร็จแล้วก็ส่วนเซนเนั่นแหละกลายมาเป็นสวนหยอกพอเป็นส่วนหยอมก็มาเป็นส่วนญี่ปุ่นเป็นส่วนนั่นส่วนนี้สวนโ น, น่นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อเลยอยากจะไปดูต้นตอเพาหลวงพ่อก็ศึกษาเรื่องเสซนมามากเหมือนกันแล้วจ่ายเรื่องเสซนมาทีนี้เอาวกไปเรื่องอริยมรรคอีก อริยมรรคือข้อที่หนึ่งเราต้องเห็นอริยสัจสเห็นกันนาเห็นปฏิสนมบัต ท, ทีนี้พอเกิดจักกุงอุตปาธิขึ้นมาดวงต า, ป, าปัญญาเกิดญาณอุตตอุตปาธิตัวรู้เกิดคือญาณญาณตัวรู้เกิดปัญญาอุตปาธิแยกแยะได้แยกแยะว่ามันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไงปัญญาอุตปาธิวิจฉาวิจาอุตปาธิเสร็จแล้วก็เกิดวิชฉาเกิดสติเกิด ปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นพลังพอพลังตัวนี้เป็นอาโลโกตปาธิอาโลโกตปาธิอาโลโกตปาธินี่เขาเรียกว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อก่อนมันมืดเนี่ยตามันมืดอย่างนี้ทีนี้พอเปิดตาขึ้นหมามั azzi, นเะห็นมันมีแสงสว่างพอมีแสงสว่างเห็นว่าโอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนั้นอย่างนั้นเนี่ยนี่แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราเกิดแสงสว่าง ทีนี้ก็ทั้งปัญญาทั้งวิจามันก็ครบสมบูรณ์ไปอยู่ในอะโลโกตปาทิหมดเสร็จแล้วอะโลโกตปาทินี่นะกลายมาเป็นตัวนิโรธทีนี้นิโรธคือตัวดับนิโรธตัวทุกสมุทยัยทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกรําหนดรู้ทุกรเรากําหนดรู้ได้แล้วสมุทยัยเอเรเกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมุทยัย เป็นสิ่งที people, ่เราควรละเรรมูไทยเราละได้แล้วน so, ิโรดดับน <Bear ly visuals> ิโรโธน่แปลว่าดับแปลว่าดับนิโรดเป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรดเป็นสิ่งที่เราควรทำให้แจ้งให้แจ้งนี่แจ้งนี่ก็คือสว่างเมื่อก่อนตามันมืดตามันมืดแต่เสร็จแล้วพอเปิดตาขึ้นมามันแจ้งเห็นแจ้งเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นแจ้งนิโรดเป็นอย่างนี้อย่างนี้ นิโรธเป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้งนิโรธเราทําให้แจ้งได้แล้วอริยมรรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็นับธรรมาทิติสรรมาถังกับปอจนไปถึงโน้นอริยมรรคเป็นสิ่งที่เราต้องเดินทางนี้เดินทางนี้เดินข้อที่หนึ่งที่สองสามทีห้าหกเจ็ดแปดเหมือนกับเชือกแปดเกลียวเชือกแปดเกลียวนั้นอมกฟันกว้วนเป็นเชือกเส้นเดียวพอเชือกเส้นเดียวทีนี้มันก็ทนตาวอนทนตาวอน นี่ทีนี้พออย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามัคคัมังคีมัคคสมังคีคือมันรวมกลุ่มกันสามคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็เกิดเห็นอริยสัจสี่เห็นกันห้าเห็นปฏิสังขภาทมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาทีนี้อาโลโกตปาทินั่นแหละก็มาเป็นนิโรธพอเป็นนิโรธนี่เราได้ตัวดับมาแล้วเพราะเราปฏิบัติอาลิยมรักเนี่ยเป็นเหตุ นิโรธนะ่ะเป็นผลจำูไทยนะ่ะจำูไทยเป็นทุกขนะ์น่ะมันเป็นเหตุจมูไทยนะ่ะมันทุกข์จำูไทยนิโรธมกักทุกขนะ์น่ะเป็นผลจมูไทยเป็นเหตุอริยมรรคเป็นเหตุทีนี้ไอ้นิโรธนะเป็นผลน่ะเป็นผลมันเป็น ผลเหตุผลเหตุผลเหตุอยู่อย่างนั้นเนี่ยไปไปคิดให้ดีไปคิดให้ดีดดทุกเน่ยมันเป็นผลเพราะเราเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นมันทําให้เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาเป็นผลนี้นรูเป็นผ ล, นรนผลอริยมรรคเป็นเหตุเนี่ยเรานับมาเดี๋ยวจะหลงผลแล้วก็เหตุผลแล้วก็เหตุผลเหตุผลเหตุ แต่ภาษาไทยของเรานี่เหตุผลเหตุผลถ้าเหตุผลเหตุผลเนี่ยมันมาจากข้างหลังแต่ถ้าไปจากข้างหน้าเนี่ยผลแล้วก็เหตุผลแล้วก็เหตุเอาทีนี้ตัวนิโรธตัวนิโรธเรียวกว่าอะโลโกตะปาที่ตัวนั้นมีทั้งพลังจิตมีทั้งพลังปัญญาส่งก็ไปทีนี้ส่ง้าไปที่ตัวไหนส่งที่เข้าไปที่ตัวธรรมุไทยอ่ะตัวธรมุไทยคือราคะตทวฉะโมหะ ตรองที่ไปตัวเหตุพอตรองเข้าไปเอ้านี่มันอย่างนี้เองนี่มันราคาทำให้เราเกิดความทุกข์อันนี้มันโทษะก็ทำให้เราเกิดความทุกข์อันนี้มันโมหะคือตัวโง่ตัวนี้มันโง่ส่องเข้าไปท่องเข้าไปส่องเข้าไปเขาเห็นจริงทีนี้เห็นจริงทีนี้เรากดเพิ่มพลังอดยเพิ่มพลังอะไรเพิ่มพลังจิตเพิ่มพลังปัญญาเพิ่มพลังจิต เหมือนกับว่าไยของเราเนี่ยมันมีคไยที่ว่าลีก็ได้ไอ้พลังมากก็ได้เพิ่มได้ทั้งนั้นเราเพิ่มไปถึงขีดสุดให้มันโผไหมไปเลยทีนี้ไอ้ราคะโทชามโมหะเนี่ยมันโผไหมไปเลยไอ้มันจบไปเลยมันตายไปเลยนี่ฉะนั้นเราต้องมีพลังคือนิโรดนิโรเนี่เละเออเราจะเอามาจากไหนเ่ยไปนั่งคอยนิโรงไ ม, ม่ปฏิบัติ เ, เอามาจากไหนทีนี้ต้องปฏิบัติ ต้องปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์8ปดพอเราปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์8ดเนี่ยเราก็ได้จักกุงตปาฏิยานังตาปาฏิปัญญาตาปาฏิวิชารตปาฏิอาโลโกตปาฏิแล้วอาโลโกตปาฏินั้นน่มาเป็นนิโรดแั้นิโรดนั้นแล้วออกมาดับดับเหตุให้เกิดทุกข์เกิราคะโทชาโมหะทีนี้พอดับราคะโทชาโมหะอวิชามันจะดับได้ยังไงอวิชาที่มันดับเพราะว่าอาหารของมันน่ะ ราคะก็เป็นอาหารของมันโทจาก็เป็นอาหารของมันโมหะก็เป็นอาหารของมันมันกินอาหาร3ามตัวนี้แหละอวิชชาเนี่ยจิตโง่เนี่ยไปกินอาหาร3ามตัวนี้พอมันเป็นกินอาหาร3ามตัวนี้มันก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นมันมีไฟมันมีไฟไฟราคะไฟโทจ่าไฟโมหะมันกินไฟก็ไปพอมันกินไฟก็ไปเราไม่รู้ เราไม่รู้เราก็ไปเอาจิตเนี่ยมันเป็นตัวกูพอเอาจิตมาเป็นตัวกูมันก็ยึดมั่นถือมันพอยึดมั่นในราค ะ, ะก็เกิดเป็นควยขึ้นมาอแต่ไม่เกิดความทุกข์รักก็มีความทุกข์เกลียดก็มีความทุกข์เห็นไหมเมื่อก่อนโอ้ยน้องนะสวยทั้งนั้นเลยไม่มีตรงไหนของน้องที่ไม่สวยเนี่ยตอนที่รักกันใหม่ๆเอาอย่างนั้นเนี่ยถ้าเอาผมตะกั่วหนึ่งไปใส่ในจานข้าวนี่กินได้ไหมพี่กินได้ไหม นี่มันไม่สวยมันไม่สวยไม่งามทางนั้นแหละแต่เสร็แล้วก็เพราะอะไรโมหะหลงเนี่ยเพราะหลงหลงในความรักหลงในความสวยหลงในความงามนี่แต่เสร็จแล้วจกกระปกทางนั้นเลยนี่หลงราคะโสดาและก็โมหะทําให้หาาาลงทําให้หลงหลงโกรธก็มีความทุกข์รักก็มีความทุกข์โง่ก็มีความทุกข์ เกลียดก็มีความทุกข์กลัวก็มีความทุกข์เพราะอะไรโมหะตัวหลงตัวนั้นหนึ่งเห็นนี่เราก็ต้องเอานิโรธเอานิโรธเอาไฟนิโรธมาส่องส่องแล้วเสร็จแล้วเพิ่มพลังไฟก็ไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มก็ไปเพิ่มก็ไปเผาไหม้หมดเพอเผาไหม้หมดกลังอาหารของอวิชชาหมดเราเผาหมดหมดแล้วพอหมดแล้วมันกินอะไรมันก็ค่อยเอาแห้งลงทุกวันทุกวันทุกวันก็ตาย ตายทีน่นี้นิโรธก็ข้าไปก็ฆ่าไปครอบครองที่ในายจำูไทยนั้นก็อนนิโรธดับในอวิชชาก็นิโรธดับพอนิโรธดับอวิชชาแต่แล้วเป็นอะไรเป็นวิชาขึ้นมาทีนี่เป็นวิชาเป็นวิชาก็เป็นสติปัญญานี่คือสายดับคือสายดับนี่พอจิตเป็นวิชาขึ้นมานจิตเป็นวิชาขึ้นมาแต่แล้วก็สังขาร กายสังขารวาจีสังขารมโนสังขารเมื่อก่อนก็กูคิดกูทํากูพูดเอากูมันไม่มีแล้วเพราะไอ้วัวหน้ามันตายแล้ววัวหน้ามันวัวหน้าโกร่งมันตายแล้วตัวอวิชามันตายแล้วทีนี้มันก็มีแต่ตัวปัญญาตัวปัญญาก็ควบคุมเองทีนี้ตัวนิโรดนั่นแหละเป็นปัญญาควบคุมเองว่าควบคุมเองก็ไม่ใช่กูคิดไม่ใช่กูทําไม่ใจกูพูด แล้วใครทีนี้ก็สติปัญญาเนะี่ยคิดก็คิดด้วยสติปัญญาทำก็ทำด้วยสติปัญญาพูดก็พูดด้วยสติปัญญาสติปัญญาทังนั้นทีนี้ไอ้กรรมกรรมกรรมกรรมแปลว่าการกระทำการกระทำทำชั่วก็เพราะว่าคิดไม่ดีทำดีก็เพราะว่าคิดดีทั้งกรรมชั่วกรรมดีนั่นแหละมันเป็นกรรมทังนั้นแต่เราก็ไปยึดมันม่นถือมั่นเอาทีนี้แก้กรรมกันแก้กรรมแก้กตรงไหนโอ้ เอาหัวหมูไปแก้กรรมเอาหัวไก่ไปแก้เอาไก่ไปแก้กรรมเอาไอ้นั่นดอกไม้ตูปเตียนอย่างโน้นอย่างนี้ดูดิพ่อเขาเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นนายกขึ้นมาอุย้ยบูชากันใหญ่ไปแก้กรรมแก้เคล็ดแก้เคล็ดโง่นั่นเห็นไหมโง่เป็นถึงนายกแล้วยังโง่เป็นรัฐมนตรีก็ยังโง่มันโง่ดักดานพวกนี้เพราะอะไรผมพ่อไปเชียงใหม่เพราะว่าเมื่อก่อนนะก็จะ อ่าเลือกตั้งวันที่สมเอ้าเราก็ไปพูดวันที่สมพอดีเลยเลื่อนเลื่อนออกมาวันที่สองที่แม่โจอ่าทีนี้วันที่ยี่บเก้าในพูดที่อมอสวหลวงพ่อก็บอกว่าเอา้าใครเป็นนายกก็เป็นไปเถอะพรกพลังพักเพื่อไทยก็จะเป็นก็เป็นพักประชาธิปัตย์จะเป็นก็เป็นแต่นั้นเน่ยเมื่อเป็นแล้วหลวงพ่อกกฝากไว้สักอย่างนึงว่าให้พารัฐมนตรีพวกสส อ, อะไรเข้าวัดกันมัง่ง ไม่ใช่โง่กันอยู่อย่างนี้ประเทศไปฉิบหายหมดโง่กันอยู่อย่างนี้นี่หลวงพ่อกล้าพูดพระอื่นไม่กล้าพูดว่าหลวงพ่อไม่ได้อยู่พักไหนหรอกหลวงพ่ออยู่พักพระพุทธเจ้านี่เดี๋ยวดีเกณฑ์หมายของหลวงพ่อ น, นี่นี่ต้องอย่างนี้เห็นไหมก็แก้กรรมกันแก้กรรมแม่จงแม่ชีอะไรก็แก้กรรมแก่ตรงไหนนีนแก้กรรมต้องเอาตัวอวิชชาในแหละออกว่าอวิชชาเนี่ยเป็นอะไรทากรรมเพราะทำกรรมเนี่ก็ได้รับผลกรรม ทำกรรมยังไงคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีนั่นเน่ยเป็นกรรมว่าเป็นกรรมเสร็จแล้วแก้แก้ตรงไหนต้องแก้ตัวอวิชชาทีนี้แก้ตัวอวิชชานี่แก้อยังไงอ่าต้องแก้ที่เหตุเห็นไหมต้องแก้ที่เหตุทีนี้ตอนนั้นพระอจัจฉริยะพระอจัจฉริยะที่เป็นพระอรหันต์น่ยท่านนางแถวอ่าโกนทัญญะวัปปาพัติยะ มานามะอัจฉริที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่พวกตือไป hmm. ทางเดียวกันอยากไปสององค์ไปองค์เดียวก็ไปต่างละองค์ละองค์ละองละองพระอัจฉิก็ไปไปถึงที่นี้ก็สาดีบทกับโมกขลานะก็เป็นลูกของเศรษฐีทางนั้นแหละลูกเศรษฐีทางนั้นอเขาชอบเขาไปไหนก็ไปด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันไปดูดนตรีพอไปดูดนตรีโอ้ยเป็นยังไง ก็ร้องเพลงกันเต้นกันไปอะไรกันไปแต่งเนื้อแต่งตัวแวแวแวววาวๆพวกนี้ไปพอไปคงจะยืนข้างหลังอะยืนข้างหลังข้างหลังหเห็นคนข้างเรัอโอ้ยไอ้ดนตรีนี้มันก็ต้องตายไอ้คนที่มาดูทั้งหมดนี้ก็ต้องตายหมดคนพวกนี้ไม่มีใครเหลือสักคนหนึ่งแล้วเราก็ต้องตายโอ้เราไปาเสวงยนหาทำกันดีกว่าอย่ามามัวมัวอยู่อย่างนี้เลยก็สองคน โมกันลานก็สารีบุตรก็ไปไปไปกันทีนี่ก็ไปแสวงหาไปคนละทิศละทางออกไปไปหาอาจารย์ที่ไหนถ้าเจอแล้วก็มาบอกด้วยทีนี้เป็นยังไงก็สารีบุตรก็มามาถึงเหน็นพระรัชชิกําลังเดินบินทบาทอยู่เดินมาโอ้่นีนักบวชนี้ดูท่าทางหน้าศราเลื่อมใสก็ ข, ข้าไปถามถามว่าท่านบวชมาจากสำนักไหนใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่าน าจก็ท่านก็บอกว่าโยมอาตมานี่ยังเป็นพระใหม่ยังไม่เรียกว่ายังไม่ชำนาญอาตมาก็พูดได้พูดได้เพียงเนื้อความเท่านั้นเองพูดใ้พิดารไม่ได้แต่ว่าเวลานี้เป็นเวลาบินทบาทเดี๋ยวก็ขอให้อาตมาบินทบาทเสร็จแล้วก็ไปเจอกันก็ไปคุยกันทางน้น ทีนี้ก็เปหนา น, น่าสารีบุตรก็ไปวา่าเรียแล้วไปไปถึงก็ถามอย่างนั้นถามท่านท่านก็ปูดว่าศาสตราของอัตมาของข้าพเจ้านะคือพระพุทธเจ้าทีนี้ทางนี้ก็ถามว่าท่านสอนเรื่องอะไรท่ า, ทานสอนเรื่องเกิดกับเรื่องดับท่านสอนว่าเยธรรมมาเหตุปปปาวะเตสังเหตุตุงตถาคตโต เดสัญจยโยนิโรโตจเอวังวาทิมหาสมโนนี่ภาษาไทยก็ว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรเทศแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นนี่เหตุเหตุเกิดเหตุเกิดกับเหตุ ด, ดับเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทควายเกิดทุกข์ก็คือเหตุเกิดปฏิจจสมุปบาทกายดับทุกข์ก็คือเหตุ ด, ดับนี่เห็นไหม พระพุทธเจ้าพูดแค่นี้แหละแต่ว่าขยายออกไปเยอะแยะออกไปเยอะแยะหมดนี่พระอาชจิท่านก็บอกว่านี่แหละอาตมาเป็นพระบวทใหม่ยังไม่สามารถที่จะพูดให้พิสดารได้ท่านเป็นพระอารหันต์แล้วตอนนั้นแต่ว่าความชํานาญยังไม่มีเพราะว่ายังใหมอยู่ดังนั้นพระอรหันต์ต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์มากแล้วก็ขยายออกไปขยายออกไปขยายไปได้เยอะแยะ นี่ถ้าพระอารหันต์รูปไหนแม้แต่ในปัจจุบันนี้ท่านอา้าพอเป็นพระอรหันต์แล้วท่านอยู่ในป่าพราก็นิ่มตนมาพูดพูดแต่อันนีจังอนานันตานิ่จังอนานันตาเอา้าวยมก็ไม่รู้เรื่องก็พูดอยู่แค่นั้นเนี่ยนี่ท่านไม่ศึกษาคือท่านไม่ศึกษาไปนอก ว, วันนี้หนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีอะไรข่าวมีอะไรบ้างเดีวก็ประยุกต์กันมาที่ประยุกต์กันมานี่มันต้องรู้อย่างนั้นนี่คือรอข้อ ท่านมีความชำนาญรอบกรอบเรียว่ามีไหวพริบนั่นเป็นพระอ น, นี่มีไหวพริบทีนี้การดับทุกข์ก็สาคัญการดับทุกข์นี่ต้องดับที่เหตุไม่ใช่ดับที่ตัวทุกข์ต้องดับที่เหตุเอาเรามาดูกันว่าอาริยสัจสีเนี่ยนะอริยสัจสตัวที่เป็นทุกตัวอวิชชาเห็นไหมตัวอวิชชาที่เราเอาจิตเน่ยมันเป็นตัวกูอวิชชาเนี่ยคือตัวทุก เหตุได้เกิดทุกสมุ ท, ทยัยราคะโทวสามวัวเหตุได้เกิดทุกที น, นี้ความดับทุกขก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคไม่องแผดเพราปฏิบัติตามอริยมรรคไม่องแผดเราก็ได้อารโกโตปาฏิเราได้นิโรธมาก็าได้นิโรธมาทุกสมุ ท, ทยัยแล้วก็นิโรธตัวดับแล้วก็อริยมรรค เราปฏิบัติตามอริยามรักครบวงจรสมบูรณ์เรียบร้อยได้นิโรธอ้อนิโรธ น, นั้นยมาดับดับตรงไหนดับเหตุได้เกิดทุกเหตุได้เกิดทุกตัวไหนก็ตัวชมูไทยตัวชมูไทยก็คือ ร, ราคาตุสัมโมหะพราะตัวชมูไทยดับอวิชามันก็ดับดิเห็นไหมนี่มันก็ดับดับที่นี่เราแก้กรรมเราแก้กรรมเหมือนพูดเรื่องแก้กรรมแก้กรรมก็กรรมกรกรมคือตัวการกระทํา การกระทําทางกายที่ว่ากายกรรมการกระทําทางวาจาที่ว่ายะวจีกรรมการกระทําทางใจที่ว่ามโนกรรม น, น, นี่สังขารแล้วนี่สังขารเพราะฉะนั้นสังขารคือตัวทุกข์อ่านี่เราตั้งแล้วสังขารคือตัวทุกข์เหตุใ้เกิดทุกข์อยู่ที่ตรงไหน อ, อวิชชาเนี่ยเลยเหตุใดเกิดทุกข์คือตัวอวิชชาดับอวิชชาทํำยังไงก็เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองแปด เราปฏิบัติตามอริยมรรคในองแปรอ่าเราก็ได้ตัวดีโรธมาก็เอาตัวดีโรดนั่นแหละมาดับดับอวิชาพอดับอวิชาสังขารมันอยู่ปลายแถวนี่อวิชาดับพะเหตุมันดับเหตุมันดับก็ผลมันก็เย็นในทีนี้พอผลมันก็เย็นผลอะไรคือกายส ก, กายสังขารวาจีสังขารมโนสังขารก็กลายเป็นสติปัญญาหมดกบไม่มีแล้ว กรรมดีก็ไม่มีกรรมชั่วก็ไม่มีคือเรียกว่าทั้งกรรมดำํากรรมขาวนะกรรมดีก็คือกรรมดากรรมชั่วกำขาวนี่ไม่ยึดมัน่นถือมั่นหมดเนี่ยมีแต่สติปัญญาเพราะฉะนั้นกรรมนั้นก็ให้ผลไม่ได้เพราให้ผลที่ให้ผลที่ให้ผลอะไรอ๋ออย่างพระโมกขลานะพระโมกขลานท่านในชาติหนึ่งในบาลีเขาว่าอย่างนั้นนะทีนี้ชาติที่มันไม่ใช่ชาติปฏิจรสมุ ป, ปบาท ชาติอะไรก็ไม่รู้แต่เราอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ท้าโมกันหลานท่านเคยข้าแม่ของท่านก็ข้าแม่ของท่านเพราะแม่ของท่านตาบอดเออตอนแรกนะอันก็อยู่กับแม่กับลูกกันเออหาเมียแต่ลูกหาเมียลูกเดี๋ยวแม่จะไปหาผู้หญิงมา อ, อลูกก็เรียกว่าตนรำอ่อนวอนไม่ไหวอตนคำอ่อนวอนว่าเอาก็ตายอย่างนั้นะออได้เมียมา ได้ลูกสะบายพอได้ลูกสบายแม่พัวกับลูกสะบายนี่เหมือนขมิ้นกระปูลอ่านี่มันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนหรอกไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนของพ่อพูดที่ใกลๆตัวเนี่ยโยมแม่ของของพ่อมีลูกสะบายพอมีลูกสะบายอ้าวลูกสะภ้ายมีคันพอมีคันแล้วก็คลอดลูก อ, อ้าวหมอไม่ได้โยมแม่ไปทําคลอดให้ลูกสะภายนี่ทำไมแทนก็บอกว่า แม่พัวกับลูกสะพ้ายไม่ดีกันเห็นยมแม่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่เป็นเปนมันแต่ละคนแต่ละคนมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่ดีก็มีทีนี้ไอ้เรื่องกรรมเรื่องแก้กรรมแก้กรรมเราแก้ที่ตรงไหนต้องแก้ที่ตัวอวิชชาคือแก้ที่ตัวงโง่แก้ที่ตัวงโง่ทีนี้กรรมอ่าออตัวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นตัวกรรมกรรม เอตได้เกิดกรรมตัวอวิชชาการดับกรรมปฏิบัติตามอริยมรรคในองค์แปดเสร็จแล้วก็เอาตัวนิโรธมาดับดับตรงไหนดับที่ตัวอวิชชาจะดับที่ตัวอวิชชากรรมนั้นก็หมดพอหมดเสร็จแล้วก็เป็นยังไงอวิชชาก็กลายเป็นวิชาไปนี่พอเป็นวิชาไปก็สังขารก็เป็น เ, เป็นวิชาเลยมีทั้งสติมีทั้งปัญญาสมบูรณ์หมดก็คือมีทั้งพลังจิตทั้งพลังปัญญาสมบูรณ์หมด พอสมบูรณ์หมอย่างนี้กรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีเตสติปัญญาควบคุมไปหมดควบคุมไปหมดอวิชาก็สติปัญญาควบคุมสังขารก็สติปัญญาควบคุมวิญญาณก็ตสติปัญญาควบคุมควบคุมควบคุมควบคุมหมดควบคุมไปหมดนี่เรียกว่าดับดับดับดับดับอวิชชาพระชายาลีนะอวิชชายตะเววะเสชาเวลาขานิโรธาโออวิชชาดับ อาวิชาดับเพราะว่าราคะตัวธรมวห์มันดับเพราะอาวิชาดับฉังขารดับเพราะฉังขารดับวิญญาณดับเพราะวิญญาณดับนามรูปดับเพราะนามรูปดับ อายตนะดับอายตนะดับปัจจาดับเพราะปัจจาดับเวทนาดับเพราะเวทนาดับตัณหาดับเพราะตัณหาดับอุปาทานดับเพราะอุปาทานดับภพดับเพราะภพดับชาติดับเพราะชาติดับจารมรณาโธกาภริเทวะทุกขโทมานตจ้าอุปยาดดับหมดนี่ดับหมดเขาก็อยู่กับอะไรดิอยู่กับสติปัญญาสติปัญญาที่ไม่เข oh ้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่คืออยู่กับความว่างจิตที่ว่าง ก็คือจิตที่เต็มด้วยสติปัญญาจิตว่างคือจิตที่เต็มด้วยสติปัญญาจิตว่างไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรว่างไม่มีอะไรนะมันว่างอันตรธานว่างคนโง่นั่นคือว่างคนโง่นี่นี่จิตว่างหมายถึงจิตที่เต็มด้วยสติปัญญาเมื่อก่อนจิตนั้นมันเต็มไปด้วยอวิชชาเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะพอเกิดนิโรธขึ้นมานิโรธนั้นก็เลยมาดับ ดับราคาโะโทวฉาโมหะดับราคาโะโทวฉาโมหะอาวิชาก็ดับอวิชาก็ดับก็สังขานก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับยอมไปดูรายละเอียดทีนี้ปฏิจจสมุปบาทนี้ต้องจําให้ได้ต้องเข้าใจให้ได้ทีนี้อริยมรรคมนองค์แปดก็ต้องไปท่องให้จํำท่องให้จหําไม่ใช่ว่าเราแก่แล้วจํายากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาจดให้เรียบร้อยแต่แล้วพอเรา บูชาพระไหว้พระตอนภาคค่ำก่อนนั่งสมาธิกายพระเสร็จเราก็เอาหนังสือเอาเอาพึ่งก็เลยวิชาสังขารวิจาปัจาจญาสังการจาจังการาปัจจญาวิญญาดังวิน ญ, ญาณปัจจญานาบรูปังท้องมันทุกวันเอาจบไม่ต้องท่องอ่านไปอย่างนั้นนะเอาทีนี้ควายดับวิจาระตเวว า, าเสจสาวิรากนิโรธ า, าวิจาดับ สังขาระนิโรธสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธาดับใจดับก็ดับดับดับดับดับไปนี่ท้องมันอย่างนี้ทุกวันทุกวันแล้วมันก็จะจํำจะจําทีนี้ต่อไปก็ไปําความเข้าใจจำความเข้าใจไปอ่านรายละเอียดหาให้ได้นังสือนะแล้วอ่านรายละเอียดพออ่านรายละเอียดเสร็จแล้วมันค่อยๆเข้าใจค่อยเข้าใจเข้าใจเข้าใจพอเข้าใจปฏิบัติทีนี้พอปฏิบัติ ก็รู้แจ้งขึ้นมารู้แจ้งขึ้นมานี่แหละคือทั้งรู้ทั้งข้าใจแล้วก็ทั้งแจมแจ้งพอแจมแจ้งแล้วพอจะเกิดตัวกูขึ้นมาเออไม่ใช่อดับไปแล้วดับแล้วพอเกิดจะยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเออไม่เอาไม่ยึดมั่นถือมัน่นเอามีเงินมีทงองออกมาถือไว้ได้อเลยนะันกระดาษนี่กระดาษ เศษกระดาษสี่เหลี่ยมนี่หมาไปยึดถือมันจนเป็นทุกเป็นร้อนเนี่ยนี่พอยึดถือทั้งนั้นนี่มันกระดาษกระดาษกระดาษนี่กระดาษอันนี้มันก้อนหินก้อนหินก้อนหินอันนี้มันแหล่ตาแหล่ทานแหล่ทานอู้มันอะไรไปซื้อแก้วมาอแก้วแตกนี่มันแตกแน่แตกแน่วันหนึ่งมันต้องแตกอตนะาเราไม่ทําแตกก็ลูกของเราทําแตกสามีทําแตกภรรยาทําแตกอ ที่เราไปซื้อเราไปซื้อแก้วแตกมาไปซื้อจานแตกมาไปอะไรแตกมาดัางนั้นพอเราทำใจอย่างนี้พอเรามาใช้ใช้มันแตกเราก็ไม่ได้เสียใจเลยเพราะมันแตกมันแตกอยู่แล้วนี่ไปเสียใจมันทำไมนี่ไม่ได้โอ้ยพอลูกทาแตกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างบู น, บนออุบ อ, อิบอุบอิบ บอกลูกระวังหน่อยนะลูกนะแต่ว่าในใจของเราเรามันแตกอยู่แล้วมันแตกอยู่แล้วเอลูกระวังหน่อยนะเดี๋ยวหมอดังไม่มีอะไรใช้เนี่ยเขาก็บอกเขาอย่างนั้นว่าแตกเขาเงียไม่เห็นมีอะไรเอเราทําแตกเองเราก็ทําแตกเองได้แตกแล้วก็ไม่ตกใจมันแตกนี่มันต้องแตกเราไปซื้อของแตกมานี่ี่ร่างกายมันก็แตกนี่มันก็ของแตกนี่ของแตกนี่มี สามีภรรยาลูกเนี่ยก็ไถนากันที่ประเทศอินเดียเตยเตยเตลูกไปเตยเตยหนอนไปโดนงูเหา่างูเห่ากัดก็กัดเสร็จดแล้วเป็นยังไงทีเนี่ยตายนลยตายาหมอไม่ทันในสมัยนั้นพอตายก็ออกไปตั้งไว้ที่คันนาไปหาให้คืนมันก็เผาเผาเผาเจบแสร็จเอาพอกลับไปถึงบ้านเมียถามนายลูกเผาแล้วเป็นอะไรเหรองูเห่ากัดนี่นี่เสร็จแล้วก็จบเอ็มีอะไรนี่แอนมา แตกแตกแน่ร่างกายนี้ก็แตกอะไรก็แตกแตกแน่แทําไมเราไปยึดมั่นถือมัน่นมันยึดมั่นถือมั่นมากก็ยิ่งทุกข์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเนี้มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นโยมจะต้องปฏิบัติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดพอปฏิบัติตามอริยมรรคไม่องแปดแล้วมันก็จะเกิดสมาิธิ เนี่ยก็ธรรมาที่ติมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นอริยสัจสีคือทุกธรรมทั้งนีร้รวดมากเห็นขันหาขนาขนาคืออะไรในอวิชชาจังการวิญญาณนามรูปตัวที่สนามรูปก็คือรูปเวทนาจัญญาจังการวิญญาณ น, นั่นก็เรียกว่าขันหน้า ขานาก็คือปฏิจจธรมุบาก็คืออริยสัจสีนั่นแหละอริยสัจสีนั่นแหละทีนี้ถ้าเห็นขาน่าเห็นขาน่าก็เป็นยังไงพอเห็นขาน่ารูปเห็นไหมพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ตรัสรู้แล้วไปตามหาอยู่ไม่รู้จะไปเทศใดไคลกวางแย่แล้วนี่เรารู้อยู่คนเดียวว่าอย่างนั้นถ้าไม่ไม่ไปสั่งสอนไม่ไปอบรมใครไม่ต่อยอด มันก็ไม่มีอะไรเป็นหมันอันจะเป็นหมันก็ไปโอโอุตตกาดาบทเอาได้ยินข่าวว่าเสียชีวิตแล้วสิบห้าวันไปที่อารารดาบทเอาเสียชีวิตไปแล้วเจ็ดวันเจริญก็ไม่หาใครทีเนี้เพราะว่าพวกอ า, อาจารย์2 อ, องค์นั้นก็มีดวงตาที่เรียก ว, ว่าดวงตาปัญญาที่ไปเขียนิดเดียวก็จะบรรลุธรรมแล้ว จะไปหาใครทีนี้อ๋อไปคิดถึงดาบดดาบบททางานนั่นแหละคือปัญจวัคคีพอไปคิดถึงดาบบเนี่ก็ไปไปนี่ยก็ลงพื้นมาตั้งหกปีเหมือนที่หลวงพ่อพูดนะพระพุทธเจ้าเองก็ลงพื้นมาหกปีปัญจวัคคีก็หลงพื้นมาหกปีทีนี้พอพระพุทธเจ้าไปถึง นั่นน่ยท่านก็ไม่ตยอนรับอย่างนั้นอย่างนี้พอยอมรับแล้วพระองค์ก็สอนที่นี่สอนสอนเรื่องอะไรรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาทัญญานิจจาจังการอนิจจาวิญญาณังอนิจจังนั่นคือนามรูปพระองค์สอนเรื่องนามรูปรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงทัญญาไม่เที่ยงจังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเอามาดูเราดิเที่ยงหมดเอานั่นน่ยคือโง่แล้ว โง่หมดตาเตียมหมดก็คือโง่หมดเพราะไม่เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาจังการวิญญาณมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนนี่พระองค์ไปพูดปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอดนี่เขาเรียกว่าปฏิจจธรรมปุปบาทครึ่งทอดเรื่องรูปเวทนาสัญญาจังขารวิญญาณ น, นี่เป็นลําดับไปลําดับไปลําดับไปว่ามันเป็นอนิจจั ง, ย, งย่างไร มันเป็นอนัตตายอย่างไรมันทํางานอย่างไรนี่มันทํางานอย่างไงนี่เวลาหลวงพ่อก็ว่ามันจะตึงเวลาแล้วนะนี่มันกี่ชั่วโมงกันไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็จะไปบ้าัโยมก็อีกคนหนึงเขานีมรรคไปฉันเป็นฉันเพลนเสร็จแล้วเขาก็จะมีตุระหลวงพ่อก็จะกลับไปที่พักนะเพราะฉะนั้นนะญาติโยมทุกคนนะนี่มันไม่จบหรอกถ้าจะให้จบก็ยาวไปอีกเป็นครึ่งชั่วโมงนั่นแหละยยโยมก็เสียเวลา อยากจะให้หยุดกันแล้วจากนั้นก็ขอให้ไปทําความเข้าใจคือให้รู้รู้แล้วก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็ภาวนาพอภาวนาภาวนาเนี่ยต่อไปมันก็ค่อยรู้ค่อยๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจไปเข้าใจไปเข้าใจไปต่อไปมันก็รู้แจ้งขึ้นมาพอรู้แจ้งขึ้นมาจนถึงที่สุดตัวกูหมดว่าตัวกูหมดในร่างกายนี้เปลือกเปลือกตกลงมาเราคิดว่าเนื้อ คิดว่าเนื้ออุจจารนุถนอมกันอย่างแรงแต่แล้วเปลือกนี่เป็นเปลือกเนื้อหนอยมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปคิดดูเรื่องเวลาดิหลวงพอพูดเรื่องเวลานั่นแหละไปคิดดูที่พอเรายึดถือเวลาก็ายึดถือไปหมดอะไรก็ยึดถือไปหมดยึดถือร่างกายว่าเป็นกูเป็นของกูความแก่ก็เวลาความเจ็บก็เวลาความตายก็เวลาความอยู่ก็เวล า, ว า, เ, วลาเวลาไม่มี พอเวลาไม่มีอ๊้จิตมันโล่งมันสบายเออมันจะตายก็ตายไปที่ทีนี้ตรงวัดว่าอวันนี้เหนื่อยมากแล้วไม่อยากที่จะทําวัดตรวรมนยกยอดเไปตรงนี้เลยบอกมันบอกไอ้กิเลนบอกว่าถ้ามึงนอนตายคืนนี้มึงไม่ได้ไหวพระตรวรมนมึงจะตกนรกนะอ่าบอกมันอย่างนี้เลยอย่ายกยอดแตย่ยกยอดมันจะยกบ่อยๆ ยกบ่อยๆยกย่อบอกมันอย่างนั้นคุ้นไปอย่างนั้นเอาทีนี้ก่เป็นยังไงนั่งตรวจหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับเอ๋อลืมแล้วตรวจไปถึงไหนเอาใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม่อีกเอามันให้เก็ตให้มันเก็ตต้องเล่นมันอย่างนั้นกิเลสเนี่ยมันอย่างนั้นเล่นมันอย่างนั้นหลวงพ่อถ้าเป็นอย่างนั้นจะต้องอ้อยเก็ตอ้อยเก็ตหลวงพ่อไม่ไว้ใจมาเลยนี่ต้องทามันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพูดมาตั้ง สองครั้งแล้วครั้งนี้ก็เอาแต่เนื้อเนื้อเนื้อเนื้อน้ําน้อยเนื้อมากตอนภาคค่าก็เอากล่อมกลอกันหน่อยแดงเพราะเอาเนื้อบางทีก็โยมกลืนไม่ลงต้องเอาเน้ํามังเนื้อมั่งต า, ามสบายสบายก็ขอขอนุญาตยมทุกคนไปปฏิบัติให้เข้าใจเข้าใจเสร็จแล้วก็ในเรื่องของปฏิจจารทามกปบาทก็ดีในเรื่องของอริยมรรคก็ดีไปทําให้มันแกมแจ้งแกมแจ้งแจมแจง ให้จิตมันแจ่มแจ้งอันมันได้เห็นธรรมช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นช่วยช่วยเหลือผู้อยู่รอบๆอบข้างแล้วครอบครัวก็อยู่เย็นสบายขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่สงบเย็นไอ้มีนิพพิทาไอ้มีราคะไอ้มีวิมุตติไอ้มีวิสุทธิไอ้มีสันติให้มีนิพพานคือความสงบเย็นในชาตินี้กันจง ท, ทุกทุกท่านเถิด